สระนังขัดชามิธรามสระนังขัดชามิสังขังสระนังขัดชามิ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 ตติยัมปีพุทธังสรนังคัจฉามิตติยัมปทธรรมังสรนังคัจฉามิตัติยัมปีสังฆังสรนังคัจฉามิ สระนาคามนังนิธิตังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสัมาทิยมิ ทินนาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสัมาทิยามิอภิรมณียาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยมิส <c oughs> ุรามระยะตมจปมาทถานา เวรมณีสิกขาปัทังสมาทยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปัทังสมาทยามิ นัจคีตวะติตวิสุกทัศนาเวรมณีสิคาปัทังสัมมาทิยามิมัลลาคันทะวิเรปะนาทารณามันดา นาวีภูสนาธานาเวรมณีสิคาปทางสัมาทิยามิอุจจะเสยนบะหาเสยนา เวรามณีสิขาปะทังสัมมาทิยามิอิมานิอัตถศิคาปัทานิสิเรณสุขติยันติสิเรณโพคสัมปทานสิเรณนิพุติยันติ ตัดมาสีรังิสุทะยีโอกาสต่อไปนี้ญาติโยมทั้งหลายจงพากันตั้งใจ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 การาระงับซึ่งความวุ่นวายทั้งหลายเหล่านี้นั้นนอกจากความสงบไม่มีซึ่งแจ๊กไรเป็นประธานจัดสถานที่ขึ้นให้มีความสงบงระงับเพียนนี้จึงเป็นสิ่งที่สมควรมากที่สุดอย่างเราทั้งหลายจะรู้ได้ง่ายๆว่าวันนี้ ซึ่งมีการพูดน้อยหรือมีการไม่พูดนั้นก็เห็นประโยชน์เรียกว่ามันเป็นอย่างไรมันมีความสงบอย่างไรไหมอย่างนี้เราควรจะรู้กันแล้วว่นี่คือความสงบอันหนึ่งสิ่งที่ให้ทำความสงบนั้นคือธรรมะธรรมะคือสภาวะที่ถูกต้อง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 เหมือนปนึงว่าน้าในพื้นดินซึ่งมนุษย์ทั้งหลายซึ่งขุดดินลงไปเห็นน้ามไม่ใช่ว่าไอ้คนคนนั้นได้แต่งน้าน้า ม, มีอยู่แล้วแต่นานเราเพียงที่จะว่าขุดบอ่อลงไปให้เห็นน้าเท่านั้นน้าเป็นสภาพเดิมมีอยู่อย่างนั้นธรรมะนี่กับมันกรอย่างนั้นก่อนจะประพฤติธรรมะ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 เรียกว่าศีลธรรมสองเรียกว่าธรรมะรวนคือการปฏิบัติให้พ้นจากทุกอันแท้จริงมีแล้วใช่ไม้มทุกคนเอากายมาทุกคนไหมเอาใจมาไหมเอาวาจามาไหมมีเพราะไหมหรือเอาไว้บ้านก็มีหรือเอามาทางนี้หมด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 ใครเคยได้รับความสุขทางใจไหมอความสุขอยู่นานไหม How about that happiness? Did it stay for very long? นันอ่ความสุขนั้นมันจริงไหมถ้าความสุขมันจริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนี่อันนี้เราขาดการพิจารณามิฉะนันอนคุณแจ๊ก จึงได้ตั้งคณะกรรมฐานขึ้นเนี่ยจะปฏิบัตินั่งให้สงบเพื่อรู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้เราปฏิบัติธรรมะอย่างอื่นมีแล้วพร้อมทุกอย่างแต่ว่าสิ่งปัญญาที่จะให้ใหรู้จักทุกรู้จักเหตุให้ทุกเกิดรู้จักความหลับทุกรู้จักข้อปฏิบัติให้ทัว่วความรลับทุกนี่ไม่มีหรือน้อยเกินไป เคยมีทุกไหมเคยมีสุขไหมสุขทุกอะไรมีราคามากกว่าการรู้ไหมเคยพิจารณาไห ม, มเข้าใจอย่างนั้นถ้าสุขมันจริงนะถ้าสุขมันเป็นของแน่นอนนีะน่ะมันคงไม่แปลปวนไปเป็นอย่างอื่นถ้าความทุกมันแน่นอน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 นั่งอยู่เฉยๆดูรวมหายใจเข้าออกอย่างนั้นมันก็ยังมีความวุ่นวายอยู่มันเป็นเพราะอะไรเนี้เคยพิจารณาไหมทำไมถึงเป็นอย่างนั้น <ll: S 1> เ, คเคยพิจารณาไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นปัญหาที่พวกเราทั้งหลายจะได้พิจารณาเพราะธรรมะทั้งหมดนั้น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 เปรีย บ, เ ท, บเทียบเมืองไทยไอเมืองไทยนะไทยแลนดน์ที่ฝึกธรรมมาถ้าหากว่ามีการเจ็บป่วยหรือมีอายุมากขึ้นมาป่วยพระท่านไปนเทศว่าอันนี้มันเป็นอย่างนั้นเองของมันมันมีเกิดแล้วมันมีแก่แล้วมันมีเจ็บมีตายอย่างนี้คนแก่เมืองไทยจะยกมือขึ้นรับ เพื่อจะรับพิจรารณาดูเหมือนว่าชาวตะวันตกนี่บางคนมาพูดถึงความแก่แล้วไม่อยากจะรับฟังไลยอยากจะให้มันหนุ่มอยู่เรื่อยอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่รูปถูกชาวตะวันตกนะในชาวตะวันตกก็เป็นพี่เป็นน้องทั้งหมดนะแต่รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นโดยมาก ถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็ยังไม่ยอมรับธรรมะไม่ยอมรับความจริงคือปกปิดทุกไว้ในตัวของเราอยู่เสมอจึงไม่มองเห็นทุกจึงออกจากทุกไม่ได้เพราะไม่มองเห็นทุกนั่นเองอันนี้อาตมาขอฝากถึงแม้ยังไม่พอใจก็ฝากไปพิจารนาดูจะเป็นไงจะจริงไหมนั่นแหละคือความจริงแล้วแต่ว่า รักษณะที่เราไม่ยอมรับนั้นไม่ยอมรับคนที่ไม่ยอมรับเราเรียก ว, ว่านคนยอมรับความทุกข์ไว้ในใจของเราถ้าไม่ยอมรับก็ไม่ถูกจุดของธรรมะเสมอว่าเรามีเราคันศรีรษะเรานะเราเอามือเรามาเกาขาของเราอย่างนี้มันไม่ถูกจุดมันนะ มันก็ไม่หายความลำคาญเนั้นแหละถ้าเราคันศีรษะเราก็เกาที่ศีรษะของเราสะคันที่ขาแล้วก็แก้ที่ขาเราสักไอ้ความลำบากลำคาญมันก็หายไปเท่านั้นโยมลองดูสิวันหลังนะ่ะถ้ามันคันบนศีรษะให้มาเกาขานี่มันจะถูกจุดมัม้ย <laughs> นี่เป็นหลักธรรมะ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 ไม่ถูกเรื่องมันคือเกาไม่จุกไม่ถูกจุดคันมันก็ไม่หา ย, ยจะไปแก้โดยวัตถุต่างๆไม่ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทุกทีมันเกิดขึ้นมาจะไปแก้วัตถุม่ได้จะวัตถุสร้างขึ้นใน้มันพอกับใจของคนนั่นพอไม่ได้นอกจากว่าเรารู้เรื่องของธรรมะ <c oughs> เรื่องอนิจจงของไม่เที่ยง ทุกขังความมันเป็นทุกข์อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้เป็นความจริงเรื่องเกินเป็นสัจธรรมถ้าเป็นสัจธรรมจริงจริงเรื่องรู้เรื่องของอนิจจังเช่นนี้แล้วถ้าหากว่าใครนับถือคริสต์ก็เรียกว่าเห็นพระเจ้าใครนับถือพุทธก็เรียกว่าเห็นพระพุทธถ้าใครไม่เห็นอนิจจังอยู่ในอยู่ใ น, อ ย, ในอยู่ในพุทธศาสนาก็ไม่เจอพระพุทธ อยู่ในคิดก็ไม่เห็นพระเจ้าก็พระเจ้ากับพระพุทธเจ้านั้นมันอันเดียวกันเท่านั้นเนี่ยธรรมะอันเดียวกันถ้าเห็นอานิจจังก็เห็นความจริงอันเดียวกันทุกคนไม่เปลีป่ยนเป็นอย่างอื่นฉะนั้นวันนี้จึงให้ญาติโยมทางไายทำความสงบ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 เรานั่งและลืมตาเดี๋ยวนี้นะลืมตาเดี๋ยวนี้เรามองไปเห็นบ้านได้ไหมมองเห็นบ้านสายตาเราถึงไหมถ้าดับตาแล้วอย่างนี้เอเอาจิตเพ่งไปถึงบ้านเราได้ไหมดูอย่างนี้แฉะนั้นท่านจึงให้นั่งสมาธิเดี๋ยวให้มันรวมเข้ามาให้มันเป็นกำลังเพื่อให เพื่อให้แก้ปัญหาต่างๆได้อไอ้ความเป็นจริงแล้วอาตมาสอนกนรรมฐานที่นี่พูดหลายไปสันหน่อยหนึ่งไอ้ความเป็นจริงของไม่มากขนาดนั้นของนิดเดียวเท่านั้นเน่ยไม่ใช่ของมากอย่างนั้นนี่พูดตามอาการของจิตเท่านั้นเนี่ยไอ้เรื่องปฏิบัติให้ที่สงบเนี่ยมันไม่ไม่มีอะไรมากอย่าง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 มีความสุขขึ้นก็วูบเรียกว่าหายไปมีทุกเกิดแล้วหายไปเท่านั้นก็ไม่มีอะไรมากมายตาสองหูสองจมูกหนึ่งลิ้นหนึ่งกายนี่เดียวว่าเป็นมรรคแปประการตาสองหูสองจมูกสองลิ้นหนึ่งกายหนึ่งใจเป็นผู้ที่เดินมรรคแต่ว่ามรรคอยู่ อยู่ในตําราไม่ใช่อย่างนี้นะอยู่ในหนงังสือไม่ใช่อย่างนี้อันนี้มักที่ให้เราเห็นชัดในตัวของเรานี่ตาสองหูสองจมูกสองริ้หนึ่งกายนี่จิตเป็นคนเดินนี่คือมักอันนี้แจ๊กก็พูดไปแล้วแหละมักอัตมาพูดมักที่มันนั่งอยู่ตรงนี้อมีอยู่เนี่น้อมเข้ามาเห็นในตัวของเรานี้คือมักมักแต่แปลว่าทางเดิน หนี่ก็เป็นทางเดินเขามาแห่งเสียงจมูกนี่ก็เป็นทางเดินเขามาแหญญ่งกลิ่นริ้นก็เป็นเดินทางเดินขมาแห่งรสทั้งหลายโพธพภะคือร่างกายสำหรับถูกต้องเป็นทางเดินขมาแห่งโพธพภะเดินเขามาอย่างนี้เป็นทางกายทางจิตเป็นคนรับ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 อาจจะเอาถ้วยใบนี้พุ่งไปใส่ดินก็ได้ใส่ไม้แตกอย่างนี้นี่มันเกิดโทษอย่างคือไม่รู้เรื่องจิตของของเราแล้่มันเกิดเป็นกิเลสอย่างนั้นไอความเป็นจริงอ่ะถ้วยใบนี้นะ่ะมันไม่มีอะไรจะเอามันคว้างไปมันแตกมันก็ไม่มีอะไรจะวางไว้ก็ไม่มีอะไรไอทุกวันทุกวั น, วนใช่ถ้วยใบนี้มีประโยชน์ใจดี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 ถ้าตัวธรรมะนั่นโยมจะปฏิบัติจะรู้ชัดเองอย่างนั้นขึ้นในจิตของโยมนั่นเองวันนี้พูดธรรมะแล้วก็วันนี้จะไม่พูดมากต่อนนีไปก็จะให้มีความสงสัยอะไ ร, รเล็กน้อยจะให้ถามปัญหาเวลาไม่มากพูดธรรมะมันจบไม่ได้หรอกพูดกะทั้งวันก็ทั้งคืนมันก็ไปของมันอยู่อย่างนั้นอย่าสงสัยหลายนะ ของชาวตะวันตกเนี่ยสูงใสามากเหลือเกินไม่หยุดยิ่งก็ไปดูนิวยอร์กเนี่ยปัญหามากเหลือเกินเลยคนนี้จึงมีปัญหามากอาจจะมีให้โอกาสแล้วก็ยังอยู่อีกหลายวันเนาะ ค, ค่อยๆศึกษาไปยังอยู่หลายวัน ที่มาทำนี้ก็เรียกว่ามอเปลี่ยนมอเปลี่ยนของไม่มีราคาทิ้งเอาของมีราคาเขามาไว้เคลียมันออกไปเคลียออกอของไม่ดีในใจเรามีอยู่ไหมยัยงเหลืออยู่ไหมนี่แหละที่มีเราก็รู้ที่มานี่พยายามเคลียนี้ออกอันนี้แหลมันพาวุ่นวายอยู่นี่ เป็นเรื่องราวนี่ของเทียมไม่ดีนี่มันวุ่นวายในตัวคนทุกๆคนนี่มาทำเช่นนี้ก็มาเพื่อระความชั่วระเครื่องที่มันวุ่นวายออกไอเครื่องวุ่นวายนั่นก็ต้องรู้จักทุกคนนะมั่งนี่ยเนาะให้ถามเจ้าของเองเถอะสบายดีไม่ไม่ได้พูดแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นมารู้อ่ะไอีิควรที่ไม่ควรดีไม่ดีนั่นรู้จักจิตของเจ้าของต้องแก้เอาเองรู้แล้วต้องแก้เอาเอง เขียมันออกค่อยๆเคียอืมพยายามเขียง่ายไม่หมดง่ายๆนะนานนะมันมากธรรมะนี่ฟังง่ายนะแต่ทำยากนะเป็นยังไงไหมฟังง่ายทำยากคือเป็นยังไงไหมเออ น, <า>น่นแหละเออเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นฟังง่ายแต่ไปทำเนี่ยมันยาก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 ของเก่าที่สะสมไปนานแล้วมันเกิดขึ้นมาเป็นพยามาลนี่ไม่ใช่อื่นหรอกแล้วเคลียออกให้หมดถ้าเคลียออกหมดแล้วก็ไม่มีอะไรจะเคลียแล้วก็นั่งสบายเดินสบายนั่งสบายนอนสบายสงบเยเท่านั้นเนี่ยวความหมายนั้นมีอะไรหรอกเคลียของเก่าออกของใหม่อย่าเพิ่มเพิ่มาก็หมดเท่านั้นแหละอืมแต่มันแต่มันฟังง่ายแต่มันทํายาก อย่าไปแก้ที่อื่นเนีย่ยแก่ที่ตัวเราเนี้ไอ้ความชั่วทั้งหลายไม่ไปอยู่ที่อื่นนั่นอยู่ที่นี้ไม่ใช่อยู่ในป่านี่อืมไม่อยู่ในทะเลไม่อยู่บนอากาศไม่อยู่ที่นี้ป่ามันไม่มาทุกเราหอกทะเลมันไม่มาทุกกับเราหรอ ก, ก ข, รข้างนอกปันม่าทุกกับเราเรามันปรุงแต่งขึ้นในตัวของเรานี่เองมันเกิดอยู่ที่นี้นอืมก็ทําให้มันดับลงตรงนี้แหละมันเกิดที่นี้ทุกคนต้องไปภาวนาพิจารณา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 อยู่เนื้อดีเนื้อชั่วะไรสบายนอขอโอกาสกับท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายต่อไปนี้คุณแจ๊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 ปฏิบัติเพื่อให้รู้จากโทษให้รู้โทษอย่างสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นตามความเป็นจริงใ้ความสงบนี้มันก็ดีแต่ว่าถ้าไม่รู้จากความเป็นจริงของมันแล้วก็เป็นโทษเหมือนกันในความสงบนี้ความสงบนี้มันก็มีโทษของมัน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 ที่สงบให้เป็นที่ปฏิบัติเท่านั้นแต่ไม่ให้มันหายยึดแต่ว่าม่แห่มั น, เ, มนมเพราะว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องท่านจึงจัดว่ามันอยู่ที่มักคือสัมมาทิฏฐิ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 อันนี้คงเข้าใจถ้าติดอยู่ในความสุขติดอยู่ในความสงบมันก็เป็นกามสุขาณิกาเนโยโขถ้าติดอยู่ในความไม่สงบมันก็เป็นอตตกิระมัฐานโยโขดังนั้นการปฏิบัินี้จึงจะต้องให้ปัญญาเกิดให้รู้จักโดยปัญญา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 ไม่ต้องรู้มากเรียนมากอะไรมากมายมีกายกับจิตเท่านี้ก็พอเห็นอะไรทุกอย่างน้อมกมาเป็นโอปนาเยกะธรรมให้เห็นเฉพาะกายจิตเจ้าของนี้อันนี้อาจะมาเห็นในเฉพาะเจ้าตัวตัวเองในสมัยหนึ่งเขาไปอยู่ในป่าอืมสงบนเนี่ยมอออกมาแล้วมาอยู่ติดบาดคนบ้านคน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 เรานี่มันผิดหรือถูกนี่คิดใหม่พิจารณาใหม่เกิดความรู้สึกขึ้นมาอื้อันนี้ไม่ใช่เขามากวนเรานี่ไว้ด <c oughs> ูไปแล้วเราไปกวนเขาเนี่ยมันหลงขนาดนี้นะ เ, นเขาไปกวนเราก็ไปเข้าใจว่า เ, เราไปกวนเขาก็เข้าใจว่าเขามากวนเรามันผิดแท้ๆอย่างนี้มันก็เป็นเหตุใ้เราไม่สบายนี่นนะ อันนี้ก็เป็นธรรมะนอกคำภีเป็นตำรานอกคำภีมันกันถ้าเราคงจะไปอ่านอยู่ในคำภีคงจะไม่รู้หรอกไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นยังไงกันอันนี้เป็นนั่งอยู่ในป่าเอากายไปนั่งทำจิตในสงบปัญญามันเกิดขึ้นมานี่เรียกว่ามันดูในจิตของเจ้าของนั้นเกิดความรู้สึกขึ้นอย่างนี้มันก็ตัดปัญหานนัได้ นั่นจึงได้มาเห็นเพื่อนปฏิบัติเลยจึงอยากจะขอฝากไว้อย่าพึ่งลืมตัวนะอย่าเพึ่งลืมเคยพลาดมาแล้วพลาดมานึกว่าไม่มีอะไรน ะ, ะไม่มีอะไรไเหมือน อ, อย่างหนึ่งก็เหมือนไม้สองอันไม้อันหนึ่งมันยาวสักฟุตหนึ่งอย่างนี้เป็นต้น ถ้ามีไม้อันเดียวเรามองขึ้นยังไงถามไม่รู้มันสั้นมันยาว เ, ยเพราะไม่มีเครื่องวัดถ้าเอาไม้อันหนึ่งมาวัดเข้าไปอีกสองฟุตจะเห็นไหมเราว่ามันสั้นถ้าเอามาวัดใหม่เอาสักครึ่งฟุตมาวัดจะเห็นว่าไม้ที่เราถือยันีงมันยาวอันนี้ธรรมะนี่ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อมีเหตุมากระทบมันจึงฟุ้งขึ้นมาอการปฏิบัติ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 ถ้าเรามีปัญญารู้จักเช่นว่าเขาเรียนกรรมฐานกันแต่ทุกวันนี้เรียกว่าเรียนมีปัสนาหือสมถะได้วีปัสนาอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นเป็นคำที่ส ม, มุติขึ้นมาภาษาที่ส ม, มุติขึ้นมาแต่อัตมาเห็นว่า รวมเขาทั้งสองอย่างนี้ว่าเป็นการปฏิบัติธรรมะเท่านั้นน่ะที่เราปฏิบัติธรรมะมันทําควบมันไปเลยทําทั้งสองอย่างไปในตัวอะไรทางสมถะทางวิปัสนาเป็นไปในนั้นเลยเช่นว่าเราทําจิตให้สงบเนี่ยทําจิตที่ให้สงบอให้สงบนี้ สงบร่วยจิตที่สงบนี้สงบสองประการสองอย่างหนึ่งที่เรามาอยู่ในป่านี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงไม่ค่อยได้เห็นรูปจิตมันก็สงบอย่างหนึ่งสงบนี้จึงเป็นขั้นที่สงบครั้งแรกต่อไปนั่นท่านก็พยายามให้เกิดปัญญา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 เมื่อถูกอารมณ์มาเมื่ อ, อไรให้ระลึกเสมอเมื่อนั้นมีสติอยู่ว่าอันนี้ธรรมีความสุขทางใจหรือด้อารมณ์ทางจิตเกิดขึ้นก็ดีก็เดียกว่าอันนี้มันไม่แน่เมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาก็เดียกว่ามันไม่แน่อะไรทุกอย่างเกิดขึ้นมาตรงนั้นบอกว่ามันไม่แน่ทุกขณะไปเท่านี้ นานๆไปจิตของเรามันจะรูปขึ้นมาเห็นว่าเอออันนี้มันก็ไม่แน่อย่างนั้นมันก็ไม่แน่เป็นของไม่แน่นอนทางนั้นเห็นอะไรรที่เป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่จริงไม่จังจิตใจ <cias> เรานี่ก็เลยไม่เอาจริงจังกับมันเท่านั้นเนี่ยอันนี้มันก็เปลี่ยนอารมณ์ของเรามันกันสมัยก่อนที่เราเห็นว่าอันนี้มันจริงสุขนี่มันจริง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 ใจเรามันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นปัญหามันก็หมดไปเมื่อปัญหาหมดไปก็เรียกว่ามไม่มีอะไรแล้วสงบทางปัญญาก็เกิดขึ้นใครเคยมีความทุกข์ทางใจไ้ย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 ทุกข์ก็ไม่ไปเกิดอยู่ภูเขาแล้วสุขทุกข์มันเกิดที่ใจของเรานั้นไม่ใช่ที่อื่นนี่ท่านจึงให้รู้จักสมมุติอันนี้เช่นว่าไอ้ทุกข์มันจะเกิดขึ้นมานั่นนะ่ะหนึ่งสุขทุกข์เกิดเป็นสุขทุกข์ของธรรมดาอย่างหนึง่งทุกข์อันเกิดจากอุปาทานอย่างหนึง่งไอ้คนที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเรากแต่ว่า มันมีทุกประจําสังขารเช่นว่าเราป่วยอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็มีทุกอืมถ้าเราคิดไปถูกเรื่องของมันเรื่องป่วยก็เป็นธรรมดาของมันนะอย่างนี้มันไม่แน่แร้วเช่นนี้หรืออาการที่เราเจ็บปวดเอาเข็มมาฉีดเข้าไปตรงเนี้ยฉีดยานี่ยก็เจ็บเหมือนกันเจ็บอะไรเจ็บเฉพาะเอาเข็มมันแทงเข้าในหนังอลไรนี่มันก็เจ็บนะสัมผัสมันเจ็บ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 อุปทานเหมือนฉีดยาเอาเข็มที่เราไปอาบโดยยาพิษนี่เอาเข็มอาบโดยยาพิษดี๋ยวก็มาฉีดเข้าไปแม่อันนี้มันเก็บมันปวดเรือธรรมดาเลอเกินนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วนี่สุขเพราะอุปทา น, นทุกเพราะมีอุปทานเป็นแบบนี้เหมือนกับที่เอาเข็ม ไปอาบน้ำยามาฉีดกับไปปวดเก็ยบจนตายเจ้าในีคนตายนี่อะไรเราเกลียดมีอุปทานความรู้สึกกันมาสุขทุกมีอุปทานแม้อย่างน้อยก็ต้องตายท้งเป็นรูจ้จักนะที่มันทําพิจารณาทมที่ตรงไหนทำมันเกิดตรงไหนมันดับตรงไหนเนี่ยอย่าไปดูที่อื่นดูที่จิตของเรา จิตนี้มันเป็นกำลังมากที่สุดนะตาหูจมูกลิน้นกายอย่างนี้ก็เป็นลักษณะเท่านั้นเนี่ยไม่มีอะไรนะเหมือนกับรถยนต์รถยนต์ตารถยนต์มันมีแสงใหญ่สว่างอย่างนั้นแต่รถยนต์มันเห็นไหม หรือคนนั่งอยู่บนรถมันเห็นเนี่ยตัวรถยนต์มันเห็นแสงสว่างหรือเปล่านี่ก็มันกันนะไอ้ความเป็นจริงแสงสว่างเกิดจากตารถยนต์แต่รถยนต์ไม่เห็นเราก็เหมือนกันน้อมเข้ามาเป็นโอปนายิกธรรมเราอยู่ในสถานที่ที่เราสงบนะสงบอยู่ที่นี่ในป่านี้ในที่นี้ แต่เราก็ต้องการความสงบบางทีบางคนนอกมาอยู่ที่นี่ก็ไม่เห็นความสงบเหมือนกันมันก็รถยน์มีตาแต่ว่ารถยน์มาเห็นคนนั่งอยู่บนรถยน์นั่นเห็นอย่างนี้เหมือนกันให้เรารู้จักว่าธรรมทั้งหลายมันเกิดขึ้นตรงไหนดับที่ตรงไห น, นอะไรมันเป็นอย่างไรอย่างที่จะรู้จักธรรมะเป็นเรื่องอุบายอย่างนี้ เพราะว่าธรรมะเรามองไม่เห็นชัดไม่มีอะไรมีเรื่องอุบายอัตมาจึงชอบพูดธรรมะและพูดเรื่องอุบายหเห็นอย่างนี้เห่นว่าเราเห็นโลกนี้วุ่นวายนะไอความเป็นจริงโลกไม่วุ่นวายเราเราวุ่นวายเองของเราเนี่ยให้น้อมขอมาเช่นเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งมันแก่ ใบมันร่วงลงไปเนี่ยเรามองเห็นก็รู้จักแล้วว่าเห็นต้นไม้เราก็มองเข้ามาหาเราอ่ะเป็นปัจจตังเวทิตโภวินโยหีอย่างนี้ต้นไม้มันแก่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นตัวเราแก่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เห็นธรรมที่เสมอกันแล้วเห็นข้างนอกก็เห็นข้างในเห็นข้างในก็เห็นข้างนอกอันนี้ก็เป็นอนุสติเราอย่างหนึ่งที่เราจะปองสังขารแต่พิจารณาเรื่อยไป เมื่อเรารู้จักธรรมะเช่นนี้ก็เหมือนกับคนที่เดินทางไปเดินไปแล้วก็เดินทางกลับมามแล้วก็หยุดอยู่นี่เป็นลักษณะของคนเดินคนกลับเดินไปก็ได้กลับมาก็ได้หยุดอยู่ก็ได้แต่ธรรมะ ที่พระพุทธเจ้าหรือที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านสอนว่าเมื่อจิตถึงธรรมะอันแท้จริงแล้วอาการเดินไปก็ไม่มีอาการกลับมาก็ไม่มีอาการหยุดอยู่ก็ไม่มีนี่เข้าใจไ้ยว่าจะอยู่ที่ตรงไหน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 ไม่มีไม่มีการเดินไปไม่มีการถอยกลับไม่มีการหยุดอยู่อย่างเนี้ยอันนี้ธรรมที่เป็นปัจจัตตังถ้าผู้ประพฤติปฏิบัติไปถึงที่ตรงนั้นจะไม่สงสัยอะไรทางนั้นจบลงที่ตรงนั้นอะอย่างนั้นการปฏิบัติเช่นนี้ก็รีแล้วแต่ว่าอ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 พูดถึงด้านจิตใจผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่เป็นวงกลมมีสติไม่ใช่ว่าบางทีก็เข้าใจว่าเรานั่งกรรมฐานนี่แเราเลิกจากการกระทานี่แล้วก็หมดกรรมฐานนี่ไม่ใช่อย่างนั้นให้ยยมันหมดทีไม่ใช่เหมือนกระเบริีภคข้าวนี่บริโภคข้าวมันอิ่มแล้วออกจากที่นั่งเดินไปมันก็ยังอิม่ม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 มันจะกระทบอย่างเนี้ยเรียกว่าการกระทบเห็นมันนกมันร้องพอเสียงนกมันร้องกระทบเฉยๆเมื่อนกมันร้องจบไปแล้วความรู้สึกคิดขึ้นในนี้แม่เสียงนกนี่มันสนุกวะ สนุกนกมันไม่สนุกว่ะหรือคิดขึ้นมาแม่อยากจะจับนกมันไปเป็นอาหารนะ่ะอยากจะจับนกมันไปขายวะนี่นี่เรียกว่ามันเกิดจากตรงนั้นที่ไอ้กระทบเฉยๆเนี่ยได้ยินเฉยๆไม่มีอะไรเลยถ้ามีอวิชชาเป็นพื้นน่ะเมื่อกระทบพุ่แล้วมันจะอเสียงนั้นสนุกนีอย่างนี้รูปนั้นสวยกลินนั้นหอมเราชอบมันจะเป็นไปตามทํานองนี้ อันนั้นเรียกว่าเรื่องกระทบเฉยๆมันอย่างหนึ่งเมื่อกระทบแล้วมันรู้ยึดหมายไปตามอาการทางหลายเหล่านั้นไปเก็บสิ่งต่างๆเข้ามารวมให้จิตของเรารู้สึกขึ้นนี่เรียกว่าการกระทบเฉยๆนี่ถ้าเรารู้จากการกระทบเฉยๆกระทบเครียนเลิกไปยังไม่ก็ไม่มีอะไรการกระทบเรา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 ให้โยมไปลองะทนลองดูนะหรือพ้นทุ ก, กันหมดหรือยังถ้ายังไม่พ้นทุกเอาไปลองดูนะอย่างว่าไอ้ไม่ต้องพูดมากก็ต้องเรยมากอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาทางหูก็เดียวว่ามันจะชอบหรือไม่ชอบใจก็เดียวว่าอันนี้มันไม่แน่เท่านั้นแหละยืนไปทํามันเกิดขึ้นมาอะไรก็มไม่แน่นะสับมันตรงเดียวเท่านี้นะแนวปัญญาเกิดนะ ถึงถึงแม่ว่ามันจะมีโกรธมีเกลียดเท่าไรขึ้นมาในใจของเือ่อะไรแบบนั้นไม่แน่นะมีแต่ไม่แน่ทั้งนั้นเดียวโยมจะเห็นของไม่แน่ขึ้นจริงๆก็เห็นของไม่แน่ไอ้ที่ของอะไรที่มันไม่แน่ของนั่นมันก็หมดราคาแล้วเห็นไหมของไม่จริงไม่จังมันก็หมดราคาแล้วมันก็อย่างนั้นเมื่อมันหมดราคาแล้วฉะนั้นเรารู้จักว่ามันหมดอย่างนั้นมันไม่แน่ทั้งนั้น ถ้ามันเกิดขึ้นมาเมื่อไรเราก็บอกมันไม่แน่เกิดมาในมันก็เท่านั้นแหละนะเกิดขึ้นมาเมื่อใก็เท่านั้นแหละเป็นอย่างนั้นเลยจิตใจเราจะเป็นอยู่อย่างนี้อืมจะเห็นชัดว่าไอ้คำที่ว่ามันไม่แน่นั่นเนี่เรียกว่าธรรมะธรรมะนั่นแหละที่เราเห็นธรรมะเรียกว่าของที่ไม่แน่มันจะเป็นเหตุให้เรายึดมั่นหรือถือมัน่น แต่ยึดมาแต่ไหวไม่มั่นออย่างนี้เมื่อเราเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะนีะ่นะเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ความรู้อันนี้อยู่อย่างนี้ตั้งอยู่เสมอในใจอย่างนี้ อ, อ, อันนี้ให้โยม เอาไปลองดูถ้าไม่เชื่อเอาลองลองดูก่อนก็ได้ทําไปอย่างนี้ทําสัมถะกรรมาฐานก็ว่าทำไปอย่างนี้ทําไปเรื่อยไปไอความรู้สึกเกิดขึ้นมาต่อไปนั้นเราก็พอสมควรแล้วก็ยกให้มันมีปัญญายิ่งขึ้นกว่านั้นอที่บอกว่าที่ว่ามันไม่แน่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 อันนี้มันต้องจะเป็นนิตยการในทีเดียวเนะี่ยทางหลายเหล่านี้เมื่อมันเกิดมาที่เฉพาะหน้าเรารู้จักเพราะเรามีสติอยู่เราอันนี้มันไม่แน่เนะี่ยอันนี้ไม่แน่บอกทุกขณะเลยลองลองดูครับอืมอโยมจะบรรลุธรรมะในการเดินก็ได้การยืนก็ได้การนอนก็ได้ไอความเย็นมันถือมันจะค่อยๆ ค, คลี่คลายออกไปด้วยด้วยนะ จะได้มีปัญญาเกิดขึ้นอไปลองดูนะไปทดลองดูเถอะมันจะเป็นยังไงไปลองดูจิ ม, มีไหมก็มันมีสิ่งที่ท ด, ดลองอยู่แล้ว่ะไออารมณ์มันมาสกิดอยู่ทุกเวลาอ่ะมีไหมต่ชอบใจมีไหมไม่ชอบใจมีไหมนั่นแหละถ้าอันนั้นมีอยู่ ที่เรื่องชอบใจไม่ชอบใจมีอยู่ก็เป็นเรื่องชอบใจไม่ชอบใจเป็นธรรมดาอย่างหนึง่งนะถ้ามันเรือนธรรมดาได้เป็นเรื่องอุปท า, านเนี่ย น, นะมันจะไม่ให้เราสบายน ะ, นะมันจะไม่เราสบายมันจะเหมือนเอายาเหมือนเอาเข็มไปอาบยาพิษมาฉีดเข้าไปนะทนมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเรารู้จักแก้ปัญหานี่จิตใจเราก็สงบ อตอนนี้ไปเป็นโอกาสที่จะให้ถามปัญหาข้อข้องใจสักหน่อยพอสมควรนะได้าอาศัยการพูดหนึ่งก็ไม่จบหรอกกระทางคืนสองคืนมันก็จบไม่ได้เคยมีมโยมได้ยินเสียงมันมาแล้วก็ดูสืกว่าเสียงมันมากวนเราอี่งเคยเคยคิดไหม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 Suppose there's a smell that's come to the bottom, and that smell is um, the smell of smoke of a fire. Oh. If I just sort of uh, just say smell, smell, smell, mm -hmm. maybe I don't respond to the fire, and that's not so great. Mm -hmm. uh, it worries me. <laughs> <laughs> that hasn't happened yet. So <laughs> เ <laughs> ขายกตัวอย่างพูดว่าเรานั่งแล้วก็กำหนดจิตแล้วก็ได้ถูกกลิ่นเชียนควนทีนี้ถ้าหากว่าเราว่ากลิ่นควนกลิ่นควนเฉยๆก็อาจจะมีไฟไหม้แล้วก็ไม่ได้ลุกขึ้นก็ทำยังไงนะครับจะ ก, กำหนดหรือว่าจะให้ทำยังไงเออ ยังงั้นนักภาวนาอย่าไปโง่ถึงขนาดนั้นดิไฟจะไหม้เราตายก็ไม่าหนีไงนะก็เนื่งไม่ใช่คนภาวนาดีกว่า <laughs>